อิเมโคปนาจัตมันโตเตระสะสรงคาดิเซซาธรรมาอุเดสรังอางกันเตสันเจตนิกาสุกวิสัตถอัญญัตระสุปินันตาสังคาดิเซโซโยปนาภิกขุโอตินโนวิปรินโตเตนะกิเตนะมาตุกาเมนะสติงกายสร้างสังกังสมาปัเจยะ อาตกาหังวาเวนิกาหังวาอัญญะตรัสวาอัญญะตรัสวาอังกตะปพพะมะสนังสังขารดิเซโซโยปนาปิกุโอติโนวิปรินเตเณกิเตนะมาตุกามังตุทุนละหิวาจาหิโอภาสยะยัทาธังยุวายุวะติงเมทุโนปะตนหิตาหิสังขารดิเซโซ โยปนาบิก oh, e, e, ุโอตินนวิปรินเตนักิเตนะมาตุกามัตสันติกะอัตตามาปาริจริยายะวันมังพาติยะเอตัดดังกังภิกินิปาริจริยานังยามาดิสังที่ละวันตังกันยานัธรรมังพรหัมจาริงเอเตนะธรรมเมนะปาริจริยาติเมทุโนปะสันนิเตนะสังขาดิเสอ โยปันักอิคุสันเรื่องราวประวัติงาุริสัตวาอิทธิมติจายัตเนวะจารตเนวาอันตมโสตังขันไมกาญปิสังฆานิเซโสอน สัญญาติการปะปภิกขุนาคุติงการยะมาเนีนาอัตตาม่กังอตุเดชังประมาณไมกากาเระตบะตัตตริดังประมาณนองดีขโซดวาเดสบิตาิโยสุกตะบิดาธิยาติริยังสัตตันตราภิกข u อภิเนตับาวัตถุเดสนายะ เดชิพิคุหิวัตุงเดเสตัมบังอนารัมพังสัพปริกามนังสารมเพจพิขุวัตุสมิงอปริกามเนตัญติกายักโติงการยะพิคุวะอนาภิเนยะวัตุเดสนายะพมานังวาอติกามิยะสังขาดิเสโส มหันหลกัมปนาภิกุนาวิห้ารังการยะมาเนนะจัสตาม่กังอตุเตทั้งภิกข u อภิเนตัมบาวัตถุเดสนายะเดหิภิกข u หิวัตุงเดเสตับังอานารัมพังสะปริกขะมณังคารัมเภเกภิกข u วัตุสมิงอปริกมะเนมหันหลักัมวิห้ารังการยะภิกข u ว่าอนภิเนยะวัตุเดสนายะสังขาดิเสโซะ โยปะนะภิกขุภิกขุงดุจพ่โดโซอภตตโตอมูลเกนะปาราชิกเกนะธรมเณนะอนุทังเตียะอเปวะนามณังอิมมามบรหัมเจริยเจเวยันติตโตอะบรเณนะสมเยนะสมนุกกหิยมานวาะสมนุกกะหิยะมานวา อะโมละกันเจปาตังอธิการนองโหติปิคุจะโดสังปติภาติสังหาดิเสโวโยปะนาปิคุปิคุงดุทโธโดโสอัปตีโตอณิปภากิจตาอะธิการนตากินจิเดสังเลสมะตังอุปาดายาปาราจิเกนะธรรมเณณันุทังไศยะ อเปวะนามานังอิมมะมะบรหัมเจริยะชาวเอยันติตัตโตอะปรเณนะสัมเยนะสัมนุกะหิยามาโนวาสัมนุกะหิยามาโนวาอัญญภิกขยันเจวะตังอธิการนองโหติโกจิเดโซเลสมัตโตอุปาดินโนภิกขจโดสั่งปฏิภาติสั่งข้าฮานิเซโซอัน โยปณะิขุสมังกัจจะสังขตะเพดายะปรกมิยะเพดนาสังวัตนิกังวะอธิกรนังสมะดายะปะไกยะติมิยะโสพิคุพิคุหิเอวะมัสสะวัจณียโยมาอายะมาสมังกัจจะสังขตะเพดายะปรกมิเพดนาสังวัตตานิกังวะอธิการนังสมะดายะปะไกยะอัตพาเจ สเมตาัตมาสังเขนสังโกหิสังโฆสัโมดมาโนอวิวัตดมาโนเอกุเดโซผ้าสุวิหรติเตเอปัญจะโซภิกขภิกขุหิวัจมาโนตัเทปปกันในยะโซภิกขภิกขุหิยาวตติยังสมโนปหาสิตํบโธตตสัตติอินสกายะ ยาวัตติยันเจสมานุภาสิยะมาโนตังปัตินิตติยะอิเตตังกุศลังโนเจปัตตินิตติยะตังขาดิเจตัตัดเจวะโคปณะภิกขะปิกขุหอนติอนุวัตตกาวะกวาดกาเอโกวาเดเววาตโยวาเตเอวังวัตติยง มาอายตมันโตเอตังพิกุ้งกินกิอวัจุธาธรรมวาดีเจโซพิกุวินยะวาดีเจโซพิกุอัมมากันเจโซพิกุฉันดันจะรุจินจะอาดาจะโวหรติจานาติโนภาสติอัมมากัมเปตังขมติเตเตพิกุพิกูหิเอวามัสุวัจณียามาอายตมันโตเอวังอวัจุธะ นาเจโซภิกขุธรรมวาเีนาเจโซภิกขุมิริยะวาเมวาีมาอาเยสมันตานัมปิสังคาพเพโดรุกิธเสเมตายยสมันตานังสัง่งเคนะสมังโกหิสังโคสัมโดมดมาโนอ ว, วิ ว, มมวัตดาโนเอกุเดโซพาสุวิหรติเต เอวันจะเตะพี่คู่พี่คู่หิวจมานาตะเทวาปกันในยุงเตะพี่คู่พี่คู่หิยาวะตัดติยังสัมโนภะสิตัมบาตัดสักปัตตินิทะกายยาวตติยังเจสมโนภะสิยะมานาตังปัตตินิทะเจยุงอิเจตังคุสลังโนเจปัตตินิทะเจยุงสังขาริเทตุอัน ภิกขุปเนวะดุบะจัจาติโกโหติอุนเดสะปริยาปเนสุสิข้าปะเดสุภิกขุหิสหะธรรมิกังวุจจมาโนอัตานังอาวะจันนิยังกะโรติมามังอาจัตมันโตกินกิอวะจุทธะกันลยานังวาปาปะกังวะห้ามปาจัตมันเตนะกินจิวะข่ามีกันลยานังวาปาปะกังวา วิระมาธาเหยตมั่นโตมะมะวจนายาติโสภิคุภิคุหิเอวะมัสสวจณิโยมาอาจัสมาอตตานังวัจนียังอากาศิวัจณียะเมวะอายัสมาอัตตานังกะโรตุอายัสมาปิภิคุวะเดตุสหะธรเมเณภิคุปีอายัมมั่นตังวัคขันติสหธรรมเมนะ เอวังสังวัทาหิตัสภาภะวะโตปริฆะยติดังอัญญะมัญญะวาจะเนนะอัญญะมัญญะวุฒาปเนนาติเอวันจะโสภิคุภิคุหิวุจมาโนตะเทบาปะกันในยะโสภิคุภิคูหิยาวะตติยังสมโนภาสิตัมโบตัสะศตินิสัง伽ยะ ญาวาตติยันเจสมนุบาสิยามโนตังปัตตินิสัจยักิเจตังกุสลังโนเจปัตตินิสัจยักังฮาดิเจสุหัภิกขุปเนวะอัญญสรังกามังวาหิกะมังวาอุปนิสยะวิหารติกุลดูสะโกปาปะสมาจาโรตสโคปาปกาสมาจาราดิตสันติเจบสุยันติจะ กุลานิจะเตนะดุท่านิดิตัณติเจวะสุยัญติจะโสภิคุภิคุหิเอวามัสวัจณิโยอาจตม่าโคกุลัดดุสโกปาปะสมาจาโระอาจตมัโตโคปาปะกาสมาจาราดิตัณติเจวะสุยัญติจะกุลานิจอาจตมัตาดุท่านิดิตัณติเจวะสุยัญติจะ ปกามตายตมาอิมัมมาอาวาาอลันเตอิทวาเนาตเอปัญะโสภิคุภิคุหิวุจมาโนเตภิคุเอวังวัฏเดยะชั่นดกรามิโนจะภิคุโดสกามิโนจะภิคุโมหกามิโนจะภิคุภย伽ามิโนจภิคุ ตาดิจิกายาปติยาเอกัจจังพัมบาเจนติเอกัจจังนัพพัมบาเจนติติโสภิคุภิคุหิเอวะมัสวาจานิโยมาอายตมาเอวังอวะจะนาจะภิคุชั่นดกามิโนนาจะภิคุโดสกามิโนนาจะภิคุโมหกามิโนนาจะภิคุภยยากามิโน อาจิสมะโคกุละดุสโกปาปะสมาจารโหอาจิตมะโตโคปาปะกาสมาจาราดิสันติเกวสุยัญติจะกุลาณิจัยจิตมะตาดุทธานิดิสันติเกวะสุยัญติจะกปะกามตาจิตมะอิมัมมาออาวาซาอันเตอิทาวาเรนาเตเอวันจะโซพิคุพิคุหิวัจะมาโนตะเทวะปะกันในยะ โสภิคุภิคุหิยาวะตติยังสมณุปาสิตัมโบตัสสะปัตนิสัง伽ยะยาวะตติยังเจสมณุปาสิยมาโนตังปัตมิสัจยะอิเจตังคุสลังโนเจปัตนิสัจยะสังขหาดิเชโส อุดิภาคโคอาจสมันโตเตระสังคาดิเซสาธรมานวปฐมาปฏิกาจตารโยยาวตติจักเยสังพิกุอัญญะตรังวาอัญญตรังวาอาปจิตวยาวติหังจียานังปตังเดติ ตาวัติหังเตนะพิคุณาอากามาปริวัฏฐ์บังปริวุธะปริวาเจนะพิคุณาอุตตริงชาระตังพิขุมานณตายะปัตยิปจิตตะบังจินมะมานณโตพิขุยธะจิยาวีสติกัรโนพิขุสังโฆตัฏฐะโสพิขุอเพตัมโบเอเกนะพิเจวูโนวีสติกัรโนพิขุสังโฆตังพิคุงอภเพยะ โซจ่าพิคุอนภิโตเตจ่าพิคุกาไรหาอย่างตถาสจามิยิตถาญาตสมันเตปุชามิกจิธาปริสุทธาดุติยมปีปุชามิกจิธาปริสุทธาตติยมปีปุชามิกจิธาปริสุทธาปริสุทเธธายัตสมั่นโตตัตมาตุนนิเอวะเมตังทารยามิ